นั่นเองเฮ้ยแล้ววันนี้ไม่ได้ขับรถสองแถวละก็รถมันเกเรนะ่ะเข่าอูไอด้ดำมันบอกว่าต้องใช้เวลายอย่างน้อยน้อยครึ่งวันก็เลยอดวันนี้ก็ไม่มีรายได้เขากลับกระเป๋าเออแล้วบายได้รรหรือเปล่าอะสอบเสร็จหรือเปล่าน่ะเหรออืมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะต้องแวะไปดูนะถ้าเสร็จละก็เองก็ขับตอนเย็นได้นี่วาฮะช่วงนั้นคนนั่งกลับบ้านไม่ใช่น้อยเลยนะโว้ยก็ใช่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 คนสมัยนี้เอกอ่ะก็จะซื้อเครื่องจักรกลมาใช้งานไม่รู้ว่ามันสิ้นเปลืองพลังงานมากน้อยแค่ไหนใช้เครื่องยนต์อย่างนั้นน่ะนะก็ต้องใช้น้ํามันใช่ไหมละ่ะเขาผลานน้ามันมันทีแล้วอาจจะทําให้อากาศบริสุทธิ์เนี่ยมันละเทอะเปื้อนไปหมดนะเว้ยเฮ้ยม่จะทํำยังไงได้ละ่ะไอ้สมัยนีย้คนหันไปใช้เครื่องยนต์กันหมดมแล้วนี่นะโอ้โนี่ข้าบอกตรงๆนะข้าคนนึ่งละ่ะไม่มีวันยอมเอาเครื่องยนต์มาใช้เด็ดขาด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 ทำได้ท่ายก็ไม่เหลือเก็บหรอกเองมีเมียตั้งนานแล้วนี่นะฮะแล้วเมื่อไหร่เองจะยอมมีลูกด้วยกันสักทีละวะทำแล้วไม่ได้ฮะทำอะไรของเองวะเฮ้ยฟังแล้วมันแปลกๆวะ่ะก็ทำยังว่าไงลุงเมียมันไม่ท้องสักทีจะให้ทำยังไงละ่ะโหทำกับหมอนข้างแล้วเมียจะท้องได้ยังไงบอสไอ้พูดไปโน่นเนี่ย <laughs> <laughs> <laughs> เฮ้ยล้อเล่นเอนี่ เอ็งพาเมียเองไปหาหมอให้หมอเขาตรวจสักษีทีว่ะฮะรวมทั้งตัวเองด้วยนาข้า ว, ว่ามันจะต้องมีสาเหตุซิเว้ยเอ็งก็ดูแข็งแรงดีนี่ว่ะเมียของเอ็งก็เหมือนกันน่ะแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่แล้วทำไมถึงไม่ท้องสักทีว่ะไอคนที่มันอดอดอยากๆยากหาชาวกินคานอนเมื่อไหร่มันท้องปุ๊บนั่นะว่ะ<ม><า>ก็มันไม่เหมือนกันนะอ่ก็ทาให้เหมือนกันซิเว้โยโธ่ไอย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 จะมองมองูกอใบเดิมเคยนอนวันนั้นัังใจเก็บมันให้อยู่ดังเดิมนจนตายแม้วนเตียจะไม่มีใครกมนี้า เบาเบหมนคดกลิ่นหอมจมใบเดิมที่เราต่างเคยร่วมฝันแค่ได้ิงกันก็สุขใจกลิ่นของความรักของความรักที่คจะจางหาย ที่เธอเคยนอนใกล้ฉันแค่ได้คิดถึงกันก็สุขใจตื่นข้งความรักตื่นข้งความรักไเคยจะจางหายไปถึงแม้ว่าวันเวลามันจะนาจะทไรก็มีเธอไม่รักใครตป็นข้องความรักตืนข้องความรักมันยังเติอยู่ในหัวใจ ของใครคนไหนไม่มีใครแทนที่เธอแต mm ่เมวันที่เธอจากฉันไปไม่มีคืนไหนที่ฉันไม่ก็ถึงเธอยังรักยันเป็นห่วงเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ ในชีวิตเรามีช่วงที่ดีและร้ายอใครมากมายที่รมสุตวตนที่ทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเพียงเราเท่านี้แที่ชีวิต พยายามดินรนคนหาเรื่อยไปกับอะไรที่เป็นของนอนไจจะจะมีสักกี่คนเข้าใจว่าความรักนั้นไม่ต้องการอะไรมากว่าใจกับใจที่ให้กันบางทีคนเรอเหมือนจันเลนื่ย t h a m e n i n m p o r c Oh, e a e l e t h t h p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 ว่าไรที่มีความหมายแลสมคัญ คำสำคัญนั้นมีค่ารักษาไวให้ดียคำว่ารักคำนั้นที่คบอกลกันงควันเลยานยมองคำบางสมองคำบางอย่างยคำว่ารักคำ Ooh. <laughs>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 เธอสุขทุกเพียงใดอยู่ตรงนั้นเธอลำบากไหมใจฉันยังเป็นของเธอคนที่เธอเนื้อ ที่เธอเหนาเธอจะปวดร้าวจ้เจ็บสักเพียงไหนเมื่อเธอออนไลาเสียใจและร้องไห้จะมีไหมใครอยู่เป็นเพื่อนเธอทุกๆค่ำคืนก็ยังคงคิดถึง I h o p that she's e you...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 นี่มีหนังกลางแปลงกันวะที่ไหนฮะมีเห็นรู้เรื่องเลยคืนนี้มีหนังกลางแปลงฉายด้วยเหรออืมพี่ซีเอ็งไปพูดหัวยที่ไหนวะทีไม่รู้เรื่องใครเขา้าไอยมเอ็งรู้เรื่องหรือเปลา่ารู้เพ่ไอชาติเด็กว่าัดมาบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนันบอกว่าอาทิตย์นี้ที่วัดมีงานทศแก่ในตลาดสดจัดงานฉลองอะไรก็ไม่รู้เออให้แบบเนี้ยก็ฟรีทุกอย่างสิพิยงก็ไม่รู้เหมือนกันของที่เขาเลี้ยงอาจจะฟรีแต่ของที่ก็หาไปขายก็อาจจะไม่ฟรีก็ได้ แล้วใครมีเงินมากอ่ะข้ามีแล้วนะเว้ยเงินค่าพี่ใหญ่เอาไปหมดแล้วเอาอะไรวะเอ๊ะข้าไปแค่ห้บาทท่านเองนะเว้ยก็ข้ามีแค่ห้สบาทเองนี่พี่ใหญ่ขอไปหมดแล้วคืนนี้จะเอาอะไรกินอะ่ะเ อ, อ๊เอ็มไม่ต้องกลัวอดตายหรอกจ้าอย่างไรข้าหาเองกินจนด่าแล้วแหละเที่ยงข้าถึงงานวัดหาแม่บุญทุ่มเลี้ยงไม่ยากหรอกอืม โดยเฉพาะเจ๊จวงใช่ไหมล่ะเนี่เจ๊จวงน่ะเมียยงตั้งหักแล้วอะไรพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่างผมเนี่ยเจ๊จวงจะมาสนใจได้ไงหลอก็ไม่หลอแถมดังแห้งกลางเหลือแต่กระดูกอย่างเงี้ยเจ๊จวงน่ะขั่วพี่ใหญ่ตั้งหักเนี่น้อยน้ยหน่อยเออจริงจริงนะพี่นะไม่เชื่อลองถามทุกคนดูซิจริงไหมพวกเราได้ได้ไน้อยนยหน่อยไว้น้ยน้อยหน่อยไว้ยมะ ก็เปน เ, เรื่องจริงนี่นะไอ้ยอดนี่เอ็งมีปากไว้กับใครเขหมือนกันเหรอค่าด้วยเอ็งอ่ะลืมปากคนที่บ้าสิอีกอ่อโธ่พี่แไรเอง็งอ่ะวางอ่ะข้าไมเหรอเอ็งชอบเจจวงหรือเปล่ า, าเอ็งชอบข่าจะคุยกับเอ็งก็ได้หรือเว้ยโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจจวงต้องพี่ใหญ่ถึงจะเข้าขากันคืน ข, ข่าแล้วก็โอ้ยตายแน่ๆเลยโธ่เอ็งนี่ปอดแหกนี่หว่าอ้าวไม่รู้อ่ะ สำหรับเจ๊จวแล้วก็ใครไม่เอาเด็ดขาดกลัวเอ็งไปกลัวอะไรเจ้จัวงเขาไม่ทําให้เอ็งนะ่ะสยองขวัญหรอกได้รอดูมาแล้วเอ็งจะติดอกติดใจจนลือไม่ลงเขนะ็ม โ, โอ้ไม่เอาอะไม่เอา้ะยกให้พี่ใหญ่คนเดียวเหอะเอ็งนี่จริงเลยนะพอแทกไม่ได้โธ่เอ้ยตกลงว่าพี่ใหญ่แน่ใจแล้วนะแน่ใจอะไรก่ะก็แน่ใจว่าคืนเนี้ยเราห้าคนพี่น้องไม่อดตายแน่นอนนะสิพี่เออข้ารับรองแล้ว ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ว่างานวัดไหนๆพวกเองก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าพวกเองเคยอดหรือเปล่าไม่เคยอะพี่นั่นละนั่นละคืนนี้ก็เหมือนกันเรารอพวกเองอิ่มมีพรีมันกันแน่นอนขอให้จริงเหอะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรฮะไม่ใช่แค่ราคาคุยเท่านั้นพี่ใหญ่เฮ้ยเอ็งพูดแบบนี้แสดงว่าเอ็งไม่เชื่อใจข้าใช่ไหมเยี่ยมใช่ไหมไม่ใช่ไม่เชื่อใจพี่ใหญ่แล้วไง นะพูดให้ข้าเข้าใจคำพูดของเองหน่อยสิวะไอ้เยี่ยมว่ามาก็กลัวว่าจะไม่ได้อย่างที่พี่ใหญ่พูดเสถ้าอยาปอดแหกกลัวจะอดแล้วก็ไอ้อยู่เฝ้าบ้านเนะม่ต้องไปไหนละ่ะพวกข้าไปเองก็ได้อย่เอาอย่างนั้นมาฮะเรื่องอะไรข้าไม่มีวันเฝ้าบ้านหรอกพี่ใหญ่อ่ะเไยจะยังไงก็ยังกลัวอดตายไม่ใชเหรอข้าคัานป่าเป็นอย่างนั้นเองแหละเดี๋ยะเดี๋ยฮะเองนี่นะอ มันอยากจะเจอส้นเกือกวัวเข้าสักปากนะมั้งเนี่ยไ ม, <ะ>ไม่ไม่ไม่ไนั่นน่ากลัวเอ๊ะมันจริงๆเลยนะ ใครมานั่นสิไอ้ยศเดี๋ยวไปดูสิใครมาอ่าได้พี่อา้าวว่าไงยศใครมาวะเห็นไม่ไวนู่นนะฮะอ๋อไอ้เย็นมานะ่ะอ้าวอได้เสียสิอันนี้ไอ้ย็ดบันโผล่มาที่ีได้อะพ่อคุงชายให้มันเอาเป็นโตมาให้พวกเรามัง่งอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่เยี่ยมนองน่นเดินมาโน่นแล้วนี่แกล้งมนหน่อยไหมพี่เอ้ย มันยังตัวเล็กเกินไปไมายางทั้งกแก่เด็กเดี๋ยวโดนพ่อเล่นกันมันไม่คุ้มกันยิ่งไอ้เย็นมันลูกรักของพ่ออยู่ด้วยโถย่ยก็ทั้งสองพี่น้องแหละที่เป็นลูกรักของพ่ อ, อยศเอาเป็นตัวมานี่เลยนะข้าหิวจะไสเกิ่วแล้วอืมอได้พี่ใ่เอาไอเย็นสอนไปโตมาให้ข้าเลยเอาเอาไปเฮ้ยเอ็งมีปัญหาไงวะฮะเปล่าสักหน่อยอ่ะเปล่าอะไร ข้าเห็นเองทำหน้าเซ็งๆนี่วะก็บอกแล้วว่าเปล่าเอ่อเอ็งกล้าขึ้นเสียงกับข้าเหรอวะแบบนี้ต้องพันกบาลซะแล้วนี่น่ะโอ๊ยไงสะใจไหมอ่ะอ่ะเอียนเอียนหุบปากเดี๋ยวนี้นะเว้ยการต่างบอกให้หุบปากไม่ได้ยินเรื่องไงฮะเอียนเงียบได้แล้วนะเว้ย เขาจะขึ้นแหบปากโร้แล้วก็จะเตะก้นเอ็งหน้าอยเวนเลยเหี้ยสวยเออไอหนี้บอลซะแล้วต้องให้ขัดจัดการแล้วมั้งไม่นะแม่ช่วยเย็นด้วยอ๋อนี่เอ็กล้าฟ้องแม่เหรอมาหนี่เลยมาหนี่เลยมาหนี้เลยมามาเซ่จะลากเย็นไปไหนอ่ะไม่นะ เย็นไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่ต้อง พ, <นะ S 1> พูดเลยมานี่มานี่มานดิอ๋อพี่ใหญ่จิกใจเย็นหน่อยสิไอ้เย็นครับพี่ใหญ่หนายเอ็งบอกค่าทีสิวะเอ็งแหกปากร้องไห้ทำไมใครแกล้งเอ็งวะฮะ พี่ยศแกล้งเย็นฮะไอ้ยศเอ็งแกล้งลูกรักลูกเฮงของพ่อหรือไงว ะ, อะโอ้ปลาเปล่านะพี่ใหญ่นะข้าไม่ได้แกล้งมันสักหน่อยข้าแค่เดินไปรับมินโตจากมือมันก็ทนนั้นเองไอ้เย็นเดี๋ยวนี้เองหัดโกหกพวกพี่ๆอย่างพวกข้าแล้วเหรอ แบบนี้มันต้องแท่นกบาลให้สาแก่ใจนี่ไงนี่ไงเฮ้ยส่นายวุ้ยแกลูกเบียดนายวยคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไปนี้โปรดเขียนข้อคิดของท่าน